ไม่ใช่ว่าไม่รู้ข้อมูลเลยเนี่ยเข้ามากัะฟ า, านในบาดาเวรมนีสิกาบดังตมาริยมจะไปเด็เสร็จก็หัวเลาะต่อกะสิคกันต่าไปทีนี้ประเด็นต่างๆดั่นี้เขาบอกว่า เพอเจตนาศีเนี่ยนะศีลเจตนานั้นเป็นกุศลกรรมที่มีกิจพิเศษถ้าเรียกพีชั่นนิทานกิ จ, จ้าตัวพีชั้นนิทานกิจเนี่ยถ้ามีความจงใจในการที่จะรักษาสีน่ะเป็นกรรมหรือไม่เป็นเป็นกุศลกรรมนะมกุศลกรรมให้ผลนี่สุขหรือทุกข์เห็นมะกรณีอย่างเนี้ยถามว่าตัวกุศลกรรมเหล่านั้นถ้าถามว่ากายกรรมที่แสดงออกมา หลังจากมีเจรนาแล้วเป็นกายกรรมที่เป็นไปกับสุจริหรือสุจริตเป็นไปกับสุจริฉะน้สุจริตที่กําลังเดินอยู่นั้นเ้าเรียกว่ากุศลศีที่กำลังเกิดขึ้นอยู่วจีกรรมเวลาจะกล่าวจะเปล่งจะพูดแต่ละครั้งก็เป็นไปในไดในฐานะของสุจริกรรมฉะ้สุจริกรรมที่เกิดขึ้นอยู่อย่างเนี้ยเพราะกายก็สุจริตเพราะวาจาก็สุจริตและใจล่ะใจก็สุจริตด้วย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 จะพูดแต่ละครั้งก็ไม่มีความจงใจหรือตั้งใจจะจัดแจงคําพูดให้เป็นไปกับบุนอยากจะพูดอะไรพูดทันทีเลยรู้อะไรพูดทันทีเลยพอพูดแล้วเบรกไม่โย <c oughs> นี่นี่คือเรื่องสินมันไม่เกิดพูดได้ป๊ป๊อปๆ๊อคล่องเลยนั่นแหละคือทางบรรดานักพูดทั้งหลายน่ผิดสินเยอะแยะหมดศีนไม่เดินเพราะวจีกรรมเป็นโทษ ถ้าอยากจะดูคนกลวว่าวิจีทุจริตก็ไปฟังคนเขาไฮพาร์กกันฟังเราจะเห็นอุปศลกรรมเส้นผ่านเต็มหน้าจอทีวีอใช่ไม่ใช่พุกมุมทั้งพูดแทด้ทั้งส่อเสียดทั้งคำหยาบทั้งเพ้อเจอ้อแล้วคนไม่รู้จักศีลนะ่ะมาพูดยิ่งพูดมากก็ยิ่งบาปมากคนไม่รู้จักศีล นั่จะไปจัดแจงว่าจีกรรมให้เป็นไปกับกุศลได้อย่างไรเอาพูดดีๆนี่แหละไอ้ละครลิเกภาพยนต์ตั้งหลายเนะี่ยพูดดีไหมเวลาตัวพระเอกออกมาด้พูดดีไหมถ้าพูดดีวป่าคนที่ติดละครทั้งหลายเนะี่ยละครเนะี่ยพูดเนะี่ยเป็นวัจีทุจริตหมดเลย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 ไม่อยากดูหรอกดูก็เห็นโทษเห็นเห็นสัมภาพลาปากเป็นไม่หมดมันเห็นโทษจริงๆเลยนะอันนี้ก็วันใดวันหนึ่งนะถ้ายมมงคลเข้าใจอย่างอย่างที่อามาพูดนี้นะยมมงคลจะเห็นโทษเดินผ่านทีวีนี่ หลับตาเนี่ยโอ้โอเราบาปเรื่องผิ่นรรมเยอะมากมันเป็นอย่างนั้นอย่างๆหาสักเรื่องที่จะได้สาระสั้งนีงน้ตัวอย่างเข้าใจไหมน่ากลัวมากมันเป็นยุคแห่งการผิดศีลกันอย่างรุนแรงมากเรื่องที่นา่ากลัวแลวเราก็เราก็ไปเกิด ไ, ไปเสกไปติดไปบริโภคเรียบร้อยหมด นี่เขาใจเจตนาศีลเป็นอกุศลกรรมเดยใช่ไหมหากว่าเป็นไปในลักษณะความผิดพลาดถึงนี้ก็ฉะนั้นเจตนาได้แก่ศีลและเจตนาเจตสิกเป็นกุศลกรรมอันมีกิจพิเศษได้แก่พรีชานิธานิกเป็นศีลเจตนากรรมที่ทําหน้าที่แห่งการที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการให้เสวยผลต่อไปในอนาคต ด, ด้วยฉะนั้นในกรณีทุกเจตนาที่เกิดขึ้นที่เป็นไปกับกุศลศีลบ่งบอกได้เลยว่าต่อไปนั้นผล น, นั้นได้รับแน่นอน ลองคิดดูดิปริมาณของเจตนาศีลเกิดมากเท่าไหรก็แปลว่าศีลของท่านนั้นหนาแน่นมากถ้าปริมาณของกุศลศีลหรือกุศลเจตนาที่เป็นไปในดักหนาในกระแสะใจของท่านบุรยอย่างหนาแน่นนะท่านผู้นั้นก็เหมาะแก่การที่จ ะ, จะเจริญคุณธรรมเบื้องสูงมีสติปัญญาเป็นต้นเอาอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าฟังคำเนี่ยนะถ้าเจตนาศีลเดินนะท่านจะไม่มีการโมกม่วงนี่แลับ จิตใจจะผ่องไสล่าเริงแล้วเบิก บ, บานก็เป็นไงั้นไหมฮะใช่มันจะเป็นอย่างไนมันจะมีความตั้งมั่นสูงมากเพราะอะไรสีนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาที่พระองค์ประทานไว้ให้ทำไมอุปทานไว้ให้เพราะกรุณาโยมอะ ถ้าหากไม่มีศีรเจดน า, าเป็นต้นประชุมไว้ในกระแสใจของยอมเนี่ยยอมก็คือเนื้อใบทุกปฏิวิิบาตในระกเป็นใจแล้วก็จะต้องจมในสังสารวัฏอีกยาวคกลพระองค์สงสารมีพระมหา ก, กรุณาที่คุณเมื่อตัสรุณุตตะสัมมาสัมโพธิญาณและพระองค์ก็ประทานกุศลเจดน า, าสีบ้างเจตสิกสีบ้างสังวรศีนวิติกามาให้กษัตริย์ทั้งหลายได้เกิดความรู้และความเข้าใจ จะได้ประชุมกุศลศีลเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในกระแสขันและจะได้ควบคุมกายกรรมวจีกรรมธรรมโนกรรมนั้นให้สะอาดผ่องใสหมดจดจากบาปประธรรมทั้งหลายแล้วจะได้เดินเข้าสู่ร่องรอยของสิขาสามของพระบรมศ า, ศาสดาเพื่อจะได้เป็นปัจจัยในการพ้นจากวัตทุกเขาใจะยังนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นคุณของพระบรมศาสดาแล้วเราต้องการจะปฏิบัติบูชาเนี่ย ตัวกุศลกุศลศีลและเจตนานี่นะจะต้องเดินได้จริงจริงอย่างในขณะที่นั่งตรงเนี้ยอ๋อในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยนะจิตฟุงซ่าลำคาญใจนี่มงบอกเลยว่าตัวศีลไม่ดึงอันนี้ใครจะแก้ให้เราได้ใช่ไหมเราต้องต้องมีปัใจจัยในการที่จะต้องอาศัย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 เราไปอยู่ร่วมกับใครแล้วท่านผู้นั้นเนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากเขาขีดเส้นให้เราเดินได้ไหมได้เลยใช่ไหมเขาจะบอกได้เลยใช่ไหมเขาชี้ได้เอาให้เดินซ้ายเดินขวาแเราก็จะเดินตามนะเจตสิกเป็นไปลักษณะปุงแต่งอย่างนั้นให้ข้อมูลอย่างนีน้เขาจะให้ข้อมูลจิตเขาจะให้ข้อมูลจิตให้เป็นกุศลก็ได้ให้ข้อมูลจิตที่เป็นอกุศลก็ได้เจตสิกเป็นแบบนี้นะ แม้ขณะฟังธรรมเนี่ยเจตสิกไม่ดีเนี่ยเขาให้ข้อมูลจิตให้เป็นบาปนี่ได้เลยออาได้มไหมชีเป็นได้ไหมได้ทำไมไม่ได้จะใหะ้ใช่ไหมจะให้นั่งฟังแล้วแบบว่าหลับไปเถอะนีะ่เจเจตสิ่งม่ให้ข้อมูลเนี่ยหลับไหมหลั บ, เ ร, บเรียบร้อยเลยเนี่ยมั น, มนลแล้วจะมันจะป้อนข้อมูลไปหมดเลย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 สัมมาชีวะก็คือกายเลี้ยงชีพที่เว้นจากกายกายเลี้ยงชีพเนียที่เว้นจากกายทุจริตสี่วิจิตรจริต ส, สามที่เกี่ยวกับอาชีพทั้งหลายรักหนี่เป็นสัมมาชีวะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอนัพพิชาคือความไม่โลภอภยบาศคือความไม่โกรธแล้วก็สัมมาทิฏฐิคือปัญญาทีนี้ทําความเข้าใจอย่างนี้นะสัมมาวาจาเป็นศียังไง สมากรรมาตากเป็นสียังไงสมาชีวาเป็นสียังไงนะยกตัวอย่างใหรรเงง้เห็นนะถ้าใครไม่เข้าใจถามเลยนะเออดีนะทั้งง่วงและยืนใช้ได้เออเงี้ไม่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไปห่วงเก้าเยี่อยู่ใช้ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากเข้าใจจริงๆใช่ไหมเอาสิลองยืนดูที่ก็รู้จะง่วงได้ไหมจะมาดีไหมยงงอมมองตอนนี้ เนนะแล้วก็พิจารณายัางไงดู้ไหมที่เราเนี่ยขนาดฟังทำไม่ต้องได้พูดอะไรเลยรู้ไหแค่มานั่งฟังเพื่อจะทำจิตให้เป็นกุศลอยังทําไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเก้าอี้นี้ก็ไม่เหมาะเลย <c oughs> ไม่สมควร น, นั่งเลย <c oughs> ยืนดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยดีอย่างเี้เพราะว่าเพราะได้หลักคืออย่างงั้นใช่ไหมเออมาหลับต่อหน้าก็พูดเยูะมากเจ้าไม่หมเหมาะเลย เอาว่าทำก็กำลังหลังหลายแต่ว่าพุทธเจ้าเทศอยู่ทีไม่อาจะมาเนะี่ยที่มาเดินเรื่องนี่คือพุทธเจ้าเราไม่ไม่ต้องดูว่าเปได้มาเนะ่ยนู่นมองไปถึงพุทธเจ้าที่นู่นพระพุทธลุ่มอันมาพูดแทนพุทธเจ้าสิ่งที่ถูกเป็นของพุทธเจ้าหมดถจะผิดไป็ น, อน้องอาตมาเข้าใจใช่ไหมอันมาก็ต้องพยายามระวังและวหนึ่งจะต้องไม่ประทุษาล้ายคำสอนของพุทธเจ้าก็จะต้องพูดด้วยสติและสมบูรณ์ยั แล้วจะพูดต่างๆก็มีข้อมูลแล้วต้องเอามาค่ายควรได้จีิๆใช่ไหมนี่ก็ต้องเป็นเลยอสัมมาวาจาเป็นศีลอย่ไงไรสัมมาวาจาในการกล่าววาจาที่เว้นจากวาจีทุจริตีก็คือความงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบและเพ้อเจ้อไอ้ตัวนี้เป็นสัมมาวาจา ที่สมาวาจานั้นก็ไปแยกไปคาถาสัมมาวาจาวิรเจตนาสัมมาวาจ า, าแล้วก็วิรัติสัมมาวาจาถ้าคาถาสัมมาวาจ า, าเป็นการพูดดีที่เป็นไปกกุศลไม่ได้เกี่ยวกับที่จะงดจะเป็นสีนะอะไรใช่ไหมแจะเป็นกุศลไม่เป็นหรือเจตนาสัมมาวาจาคือเป็นเจตนาที่ต้องการจะ พ, พูดให้เป็นไป ก, กนะักุศลเนี่ยไม่ได้ขับเน้นในการที่จะเว้นจากการพูดเท็จ แต่ถ้ากรณีที่เวรติสัมมาวาจานี่นะอันนี้เป็นความงดเว้นเลยเป็นความงดเว้นเป็นสภาวะที่งดเว้นเป็นตัวงดเว้นเลยอะ่ะตัวงดเว้นที่ว่าไม่พูดเท็จเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยแล้วก็ไม่พูดส่อเสียไอ้ก็ส่อเสียดในที่นี้แปลว่าพูดในคนแตแก แ, นะ แ, ตแยกกันนะพูดในคนแตกแยกกันแล้วเขาแตกแยกกันจริงๆครบกรรมบวอย่างเงี้ยนะแต่กรณีแบบเนี้ยพูดไปพูดมาจะแตกแยกเลยพูดดีก็แตกแยกได้นะ พูดดีๆนี่แหละแต่ให้คนแตกแยกนั่นหละกรณีอย่างนี้เป็นสอเสียดหมดเมื่อความแตกแยกเกิดขึ้นครอบกรรมมาบทหมดก็มีอบายทุกติวินุบาตนารกเป็นไปในเบื้องหน้าคนไม่รู้ถ้าเขารู้กรรมตัวนี้เขาจะไม่มีการพูดเท็จกันหรอกหรือพูดสอเสียดใช่ไหมพูดคำหยา ก, ก็ก็พูดพูดสิ่งที่เป็นฟังแล้วมันขัดเคืองด้วยแล้วพูดด้วยอกุศล โดยเฉาะ พ, พูดด้วยด้วยภาษาเป็นตแล้วก็พูดเพิเจอเพิร์เจอรนี่แกยากมันสาหรับคนชอบพูดทั้งหลายนี่นะเพิเจอก็คือพูดเรื่องอะไรดีนะพูดเรื่องกองทัพ บ, บ้างพูดเรื่องพระราชาบ้างใช่ไหมพูดเรื่องการบ้านการเมืองบ้างถ้าสรุปลงพระธรรมไม่เป็นนะยถ้าสรุปลงไม่ได้เพิร์เจอ <c oughs> ชัดเลยเพิร์เจอชัดเลยก็ใ <c oughs> ช่ใ <c oughs> ช่ไหม ก็ไปก็อะไรไม่รู้ดำบางแดงบางขาวบางเหลืองมึงใส่กันใหญ่เลยนะในเข้าในเข้าเลยคนไทยใส่สีอะไรไม่ไดเลยมีคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะไม่ใส่อะไรแล้วปล่อยโลง่ลงๆนี่อยู่นี้นี่ก็ไปยึดก็บ้านเลย เ, เลยแบบโดยเซ็จเลยยุ่งเลยแต่สีขาวก็ไม่ได้ดีเดี๋ยวก็หาเป็นเมช่ชียุ่งอีกตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นเพ้อเจ้อไปก็ทำเรา ทีนี้สภาวะที่งดเว้นจากการพูดเทเ็จ่อเสียดคำหยาบหรือเพื่ชื่อตรงนี้เป็นตัวสมาวาจาแ้าตัวสมาวาจาเนี่ยเป็นไปเพื่อการงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นสภาวะที่งดเว้นจากการพูดเท็จอันนั้นแหะเป็นสมาวาจาเป็นสมมาวาจาที้สมาวาจาจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นตัวเจตสิกสี ตัวเจตสิกสินเหล่านี้ยแปลว่ามีปัจจัยที่จะทําให้ล่วงละเมิดในการพูดเท็จแล้วงดเว้นมาได้อันนี้วิรัติเกิดอย่างนี้เข้าใจไหมเช่นเห็นบุคคลที่จะกล่าวมีเรื่องที่จะกล่าวแต่ความงดเว้นเกิดขึ้นได้อันนี้แปลว่าอะไรสัมมาวาจาทำผิตและในการงดเว้นอย่างนึสัมมารกรรมก็ในลักษณะนี้แต่เป็นไปในด้านของการควบคุมกายกรรม ในกรณีที่จักฆ่าแล้วงดเว้นจากการฆ่าได้จักรักทรัพย์งดเว้นจากการรักทรัพย์ได้จักประพฤติผิดในการมแล้วก็มีสภาวะที่มีการตัดทอนทําให้จิตนั้นนะ่ะหดออกจากการไม่ฆ่าไม่รักแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในการมแล้วทางกายกรรมก็ไม่น้อมในการที่จะทําอย่างนั้นได้จริงถ้าอย่างนี้เกิดที่ยังศีลเกิดและเนี่ยเป็นแบบนี้มันเกิดเป็นแบบนี้นะนี่ก็มสมมาวาจาสมารกรมาตา่า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 งดเว้นได้จริงๆด้วยมันเป็นอาชีพของเราจริงๆไหมอาชีพในการที่เราทําราชการแต่มันเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่จะเป็นการไปกนกราฟแทศก็งดเว้นในการกล่าฟแทศจากอาชีพที่เรากระทาด้วยแล้วก็จะพูดส่อเสียดคําหยาบและเพ้อเจ้อเป็นต้นเนี่ยก็หุ่นจิ๋วจริงๆก็คือจริงๆังธทําน้อยติด อันจริงนะบางทมบางแห่งเ็าจะมัเขียนยอมรับปิดมาเห็นก็เขียนก็ไม่อเอาต้องรีบปิดเลยก <c> ล <oughs> ัวไม่มีจารีตศีลมันเป็นจารีตศีลนะสถานที่ตรงนั้นเขาสั่งใช่ไหก็มีระเบียบปิดถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันขัดเงินตรงนี้ก็คือว่านี่เขาเรียกว่าเป็นตัวเอาทุกคนที่เกิดมาไม่ีอาชีพหมดหม ฉะนั้นในขณาที่กะทําอาชีพไปนั้นน่ะก็งดเว้นบาปรกรรมทางวาจาบาปรกรรมทางกายได้และใจก็ไม่เศร้าหมองอันนั้นเขาเรียกว่าอาชีพในะบริสุทธิ์ถ้าไปประกอบอาชีพแล้วเครียดมีสัมมาอาชีวะไหมเห็นไหมเห็นชัดแล้วเอาทํางานโอ้โหถูบ้านมีอาชีพในการถูบ้านเนี่นะเป็นแม่บ้านนี่นะเ น, น, น, นื้อนะรับจานหน้าดําตาแดงเลยอ่ะ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 อันนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจก็ไปทําแต่อย่าฟังตรงนี้แล้วให้มันล่วงตรงนี้มันเข้าใจใไม่มเอาเหมือนกรณีอย่างพาเนี่ยเนะ่ยถ ก, กวาดใหญ่เลยใช่ไหมอาจารย์ก็เห็นวก็ตอนเช้าก็กวาดใหญ่เลยก็ถ้ากวาดไปแล้ววิตกกังวลไปนั่นมีจารีตศีลไหย ไม่มีแล้วอย่างนั้นน่ะอาชีพกพ็ผิดเพราะเครียดไงติดต่อโทรศัพท์ใหญ่เลยเพราะงานต้องโทรศัพท์เนี่ยทำไมคุยไม่รู้เรื่องอะมีมีสมาชิวะไงมไม่มีเพราะประกอบอาชีพได้กโกรธ ด, ด้วยแล้วพูด ด, ด้วยคำหยาบบ้างยังมีได้ไงอ่ะทำกับข้าวยาหวานทำใหญ่เครียดใหญ่โอ้โหคนมาก็เยอะ อามีอาชีวะไหมมีสมาชีวะไหมไม่ ม, ไ ม, มีไม่ใช่เครียดอย่างเดียวโลกก็ไม่มีด้วยนะทําไปแบบโลภะเกิดเนะี่ยโอ้อร่อยน่าดูฟึ้งเนี่ยนะก็ไม่มีอีกไม่มีสมาชีวะอีกที่เป็นอย่างนี้สมาชีวะเนะี่ยอย่าไปขับเน้นแค่ทํามาชี่ยถูกต้องขับเน้นที่ใจนั้นต้องสะอาดด้วยผลปรากฏนวดกายสะอาดวาจาสะอาดใจต้องสะอาดข้าอยัง ตรงเนี้ยศีลอยนี้เราจะเดินกันยังไงอ่ะถ้ากุศลศีลแบบนี้ไม่เดินในชีวิตจริงให้นานเนี่ยนะแล้วจะไปเจริญกุศลแล้วจะให้กรรมฐานอะไรมันไปชุมลงในใจได้เนี่เข้าใจไหมถ้าใครมีอาชีพสอนหนังสือเมื่อาตมาเนี่ยเป็นผ้มามะกล่าวพระธรรมกราวไปโกรธไปกล่าวไปโกรธไปอาตมาขาดแล้ว เสียหายมากเลยสแสดงคำผิดพุทธเจ้าบอกว่าต้องสแสดงด้วยเมียจาใช่ไหมปรารถนาดีต่อผู้ฟังนะอันนี้เวลาจะให้ออกไปปฏิบัตเห็นไหมการปฏิบัติในศีลเนี่ยเริ่มรู้แล้วไม่ปฏิบัติยังไงเพราะจริงๆปฏิบัติในศีลเน่ยไม่ใช่ไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ สี่เหลี่ยมเล็กๆเนาะเล็กถ้าสี่เหลี่ยมเล็กแล้ยาวด้วยก็ลงนะนั่นมันไม่มีสิเข้าใจใช่ไหมเนี่ยมันมันต้องเกิดได้จริงจริงในขณะที่เจอหน้ากันแล้วไปสนนั่นนโอ้โหเสียงนั่นใหญ่นั่นศีลมันเดินไหมเนี่ยมีสัมมาวิชชาไหมมีสัมมากรรมตั๋มีสัมมาชีวะไหม คิดหมดฉึงบอกว่าชาวพุทธเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องศีลก็เลยไม่รู้จะคิดอย่างไรอาชีวะจริงเป็นแบบนี้ั้ยอาชีกลับไปที่วัดขัดห้องน้ำไม่รู้ใค ร, รที่ให้กูทำบนเนยอะบ่นเลยถ้าเป็นไงอีชเนี่ยไปหมดเนี่ย แล้วชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นมีไหมนั่นแหละก็อย่าให้มันเกิดถ้าเกิดงั้นหยุดเลยนะบอกโอ้ไม่สมควรแก่เราเลยเราจะมาอบรมสีเจริญสีเนี่ยแล้วมาทำให้บาปเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มาทำกิจ อ, อ, อย่างเงี้ยไม่ควรแก่เราเลยนั่งย้ำตัวเองบ่อยๆแล้วก็มันใครควรจะทาต่อก็เยมมอะๆบงคนทำอย่างนั้น ศีลมันเกิดแบบนี้นะเขาทำไมเกิดในรักษาณะอย่างนี้จะทายังไงนะอ่ะตอนให้สมาทานวันละร้อยรอบอะ่ะร้อยรอบอถ้ามันเดินไม่ได้มันเกิดไม่ได้ไม่เข้าใจเลยก็สมาทานไปสิสมาทานไปก็ไม่ได้ฉะนั้นความตั้งใจเนะี่ยสมาทานถูกต้องไม่ถูกต้องการสมาทานโดยบ่อยย้าตัวเองได้ตั้งใจบ่อยๆเนีได้ เป็นการระ ล, ลึกเตือนตัวเองบ่อยๆและให้คุณศรัทธีลเดินได้จริงๆด้วยถ้าอย่างเนี้ยเราจะเห็นศีลเราจะเห็นหน้าตาของเขาแล้วเราจะเข้าใจพูดง่ายๆก็คือว่าเราเข้ามาในพระศาสนากันมาก็ตั้งหลายสิบขวบแล้วแต่เราไม่เคยดื่มรสของศีลเลยใช่ไหมเพราศีลมีรสยังไงมีความหอมหวานอย่างไร มีความสงบยังไงมีความสุขยังไงมันเลยวิ่งเลาะเลกันอยู่นี่แหละเอาศีลมาเกิดที่ใจไม่ได้เข้าใจ ย, ยังแล้วอย่างนี้เสียหายไหมเนี่ยเสียเลยอ่ะนั้นมันต้องสามารถดื่มด่ำในรสของศีลได้ด้วยที่ประเด็นในปัจจุบันเนี่ยเราเอาศีลมาดื่มไม่ได้เลยไม่เห็นรสของศีลมันมีความสุขยังไง ใช่ไหมมันมีรสชาติยังไงกลิ่นของเสียนมีมีความห อ, หอมหวานยังไงรสของเสีนมีความหวานเย็นยังไงแล้วก็เมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยผลที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้ น, นทำให้จิตใจของใสเบิกบานปีตีปลามโมดยังไงมันก็ไม่ได้ตอนนี้เป็นปัญหามากไม่ได้ดื่มรสของสียแล้วความสุขมันจะเกิดยังไงใช่ไหม มันเหมือนบอกอา้าวให้ไปกินยาเนี่ยคนข้องยาไม่เห็นมันปลากฏดออกไม้เห็นเลยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันก็ไม่เห็นสะอาดอะไรขึ้นมาได้เลยเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรนี่โ ย, ยมหวานอะไริษให้ไปดื่มยาบำรุงร่างกายก็ไปดื่มแต่ยาพิษใช่ไหมเอาเป็นอย่างั้นไม่โยมบ า, างคน่งและตอนนีเข้าวใหญอย่าง เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวมาจะสรุปพอจบภาคก็ได้ระมาจะสรุปแล้วให้ถามเออมาจะถามเลยนะทีนะี้ถามแต่ละคนตอบได้ด้วยนะเนีย่ยมาจ้องไว้แล้วจะถามใครบ้างนี้เนนี่ยไม่คืออยากจะรู้ว่าฟังเนี่ยฟังไปแล้วเนี่ยมันสามารถสรุปประเด็นได้ไหมถ้าว่าว่ามานี่พูด ลาบินนิดต่ำที่สุดแล้วนะเนี่ยเอามีตรงไหนบ้างที่ไม่ยกตัวอย่างประกอบเนี่ยก็พยายามยกตัวอย่างประกอบเนี่ยใช่ไหมหรือหรือมันพูดได้ละเอียดกว่านี้อีกหรือว่ามันพูดได้เห็นชัดมากกว่านี้ลองยกตัวอย่างอันนี้นี้เริ่มจะเข้าใจในเรื่องของสัมมาวจจาสัมมากรรมตัสม า, สมาชีิวะใช่ไหมถ้าต่อไปความไม่โลภนะวิชชาไปตอนนี้ ความไม่โลภคออืออนาพิชานะอนนาพิชานี่ก็แปลว่าความไม่โลภความไม่โลภในที่นั้นก็คืออะโลภาเจตสิกอโลภาเจดสิกคือสภาพที่มีความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่นเออแปลกนี่นะถ้าโลภเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอามาพิเหนโยมใส่สร้อยแหวนมีเงินมีทองมาวางไว้ไงอามาเกิดความโลภอยากได้มาเป็นของอมาปุ๊บ เขาองค์แล้วแค่นี้ครบอง์แล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยแค่ชิดอยากจะได้แล้วน้อมปรารถนาอยากเอามาเป็นของตนเองไงอันนี้ครบกรรมมาบทเป็นภเป็น อ, อภิชาเป็นมโนทุจริตเมื่อครบองค์อย่างนี้กรรมที่อาตมาลบอย่างนี้ถ้าส่งผลในปฏิสนธิการก็จะทําให้อาตมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัจจกระชาั้นเป็นสัตว์นรกเบื่อ ดีดีโทษหนึ่งยังไม่ไปเอาจริงๆเลยอแค่คิดเพ่งเล็งอยากได้เป็ของตอนเองเนี่ยแค่นี้มันสําเร็จแล้วนะฉะนั้นอ น, นาพิชาก็คือมันตรงกันข้ามก็คือไม่โลภไม่เพ่งเล็งอยากได้สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตอนเองทีนี้ไอความไม่โลภเนี่ยเป็นศีลได้ยังไงด้วยความไม่โลภเนี่ยไม่ไม่โลภไม่เพ่งเล็ง ทรัพสมบัติบุคคลอื่นเพื่อจะมาเป็นของตอนเองนี่นะพอมีความไม่โลภอย่างเนี้ยความไม่โลภนี้ก็เลยมาจัดแจงกายจัดแจงวาจาไม่ให้มีการฆ่าการละ ก, การบูรพถิในกรรมจัดแจงวาจาไม่ให้พูดเท็จส่อเสียดกัมหยาบเลยเพ้อเจอ้อความไม่โลภเหล่าเนี้ยไปจัดแจงจิตและเจตสิก ท, ที่เกิดร่วมกันกับตนเองด้วยก็ทําให้นามาทําทั้งหลายนั้นเป็นไปกักุศลด้วยความไม่โลภ แล้วก็มาจัดแจงควบคุมกายกรรมวิจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่ให้กระจัดกระจายลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าความไม่โลภมาอยู่ในฐานะเป็นศีลเข้าใจไหมพูดตัวเนี้อ้าไม่เข้าใจยกตัวอย่างเลยเดี๋ยวนี้ยเอายมมงคลไม่เห็นรักสมบัติของยมหวานพอเห็นปุ๊บแล้วก็จิตมันน้อมจัดโลภมังไงยมมงคลจะตัดความโลภตรงนั้นเลย ไม่เพียงเลงทรัพย์สมบัติของโยมละโยมหวานเลแล้วก็ไม่ไม่ปราศจนาเพราะเมื่อเมื่อถามถ้าถ้าเขาอยากได้ขึ้นมาแล้วอาจจะไปฆ่าได้ไปรักได้ไปเพื่อปิดในกรรมได้หรือพูดเทสส่อเสียดคําหยาบเพื่อเจยเยอะยดมิเสดลก็น้องตัดป๊บแล้วก็ความไม่โลภนั่นก็จัดแจงนามาทําทั้งหลายของโยมมงคลเองนั่นแหละแล้วก็มาปิดกายกรรมวจิกรรมไม่ให้ทำบาปเลยใจของ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 นี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยแล้วมันจะจัดแจงกายกรรมวิีากรรมและก็มโนกรรมนั้นให้สะอาดหมดจดเดียวนั้นเลยแล้วความความปลื้มใจจะเกิดตรงนั้นความไม่เดือดร้อนใ จ, จเกิดตรงนั้นแหละเพื่อผลต่อไปคือสมาธิที่จะตามมาอีกจะตั้งได้ง่าย